สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่ห้าร้อยสิบเอ็ดพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่สิบหกพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้อัญเชิญพระเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมฮีบรูบทที่หกข้อที่สี่ข้อที่ห้าและได้อธิบายให้พี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องของคนที่บังเกิดใหม่รอด แล้วกับคนที่ไม่รู้ตัวว่าบังเกิดใหม่หรือยังและแน่นอนครับคนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่ไม่รอดแน่นอนครับในขณะเดียวกันครับก็ยังมีคนที่บังเกิดใหม่แล้วแต่ยังไม่มั่นใจหรือบางคนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่เลยแต่มนโนเอาเองว่าตัวเองนะครับบังเกิดใหม่แล้วพี่น้องครับเพราะว่าเจ้าน้าของพระเจ้าในตอนนี้ผู้เขียนฮีบรูนั้น <c oughs> ได้ พูดถึงกรณีสมมุติที่ร้ายแรงที่สุดที่คริสเตียนพึงระวังเมื่อวานนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าคนที่ว่าคริสเตียนนั้นก็หมายความถึงสองความหมายคือสองกลุ่มคนคนที่เป็นคริสเตียนแท้นะครับกับคนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่คนที่เป็นคริสเตียนแท้นั้นเป็นคนที่บังเกิดใหม่และเขาจะไม่มีอะไรที่ทําให้เขาขาดจากความรักของพระเจ้าได้ไม่มีอะไรที่จะสามารถแย่งลูกแกะของพระเจ้าออกจาก กรหัสของพระบิดาได้อันนี้พูดในพระธรรมยอห์นบทที่สิบนะครับพี่น้องครับเมื่อเรามีความมั่นใจในความรอดแล้วก็คือเราจะต้องแน่ใจครับว่าเราตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดไปนะครับเราได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดเรามีธาตุพีที่รังเกียจความบาปไม่อยากมีชีวิตอยู่ในบาปอีกต่อไปเราจึงได้อธิษฐานสารภาพบาป และขอการไปโทษจากพระเจ้าและเราขอคืนดีกับพระเจ้าและเราเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตประทับอยู่เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอไปนี่คือสิ่งที่ผมพูดซ้ําแล้วทําอีกหลายครั้งทีเดียวครับและเราทําอย่างนี้โดยการรับด้วยปากและเชื่อด้วยใจเรารอดแน่เราได้รับการบังเกิดใหม่แน่เราได้รับการบัพติศมาเข้าไปมีส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในพัดกายของพระคริสต์พระคริสต์อยู่ในเรา และเราอยู่ในพระคติแน่นอนครับแบบนี้มารซาตานเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้แม้ว่าจะเป็นความทุกข์ยากลาบากอย่างไรประการใดก็ดีหนักหนาสาหัสอย่างไรก็ดีพี่น้องครับเรามั่นใจในความรอดแน่นอนหาเราตายไปวันนี้เราจะได้ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราเชื่อศรัทธาเมื่อเราเชื่อวางใจและเราเชื่อมั่นยึดในพระองค์จนถึงที่สุด นี่นะครับเหมือนกับโจนที่อยู่บนกังเขนนะครับเขากลับใจเมื่อไหรที่เขากลับใจบังเกิดใหม่บนไม้กังเขนนี่แหละครับพระเยซูตรสัสกับเขาว่าในวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบ ร, รมสุขเกษมพี่น้องครับกลับมาถึงชาวยิวหรือคนฮีบรูที่ผู้เขียนฮีบรูนั้นเขียนจดหมายฝากฉบับนี้เจาะจงไปถึงพวกฮีบรูบรหรือพวกยิวพวกฮีบรูนั้น ได้รับพระพรแล้วจากการที่พระเยซูเสด็จมาปรากฏในโลกนี้ในทารกน้อยนะครับในรูปของทารกน้อยและเติบใหญ่และสอนพระเยซูสอนพวกเขาพระเยซูเองนั้นก็ได้เป็นพยานถึงพระบิดาพวกเขาก็ได้เห็นครับเห็นของประธานจากพระเจ้าก็คือพระเยซูนี่เองครับนะครับเห็นและรู้ว่าความรอดจะเป็นอย่างไรแต่พวกเขานั้นได้ปฏิเสธครับ แม้ว่าพวกเขาจะรับรู้รสชาติได้ประสบการณ์กับการที่ p s ูได้ทําการอศัศจรรย์ น, นะครับที่น้องครับเหล่านี้ครับเขาได้ชิมได้เห็นได้รู้นะครับแต่เขาไม่ได้ครับเขาไม่ได้ทั้งที่เขาประสบกับสิ่งเหล่านี้เขาเห็นแต่เขาเพิกเฉยต่อความรอดอันยิ่งใหญ่มิเพียงแต่เท่านั้นพวกเขายังหันหลังกลับเสีย พี่น้องครับแก่นแท้ของการละทิ้งความจริงก็คือการรู้จักความจริงแล้วหันไปเสียครับไม่ยอมรับความจริงในที่สุดพวกเขาตึงพระเยซูบนไม้กางเขนครับในพระธรรมฮีบรูบทที่หกข้อที่หกถ้าเขาเหล่านั้นได้ชิมแล้วหลงไปก็เหลือวิสัยที่จะนำกลับมาสู่การกลับใจอีกได้ในฉบับ i ิงเจมส์แปลว่าถ้าเขาเหล่านั้นจะหลงอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับพี่น้องครับ ยังคงหลงอยู่อย่างนี้ก็เหลือวิสัยที่จะให้เขากลับใจใหม่ได้อีกเพราะตัวเขาได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าเสียแล้วพี่น้องครับตรงนี้ได้พูดอีกครั้งครับที่น่าสนใจมากว่าเพราะตัวเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าเสียอีกแล้วเห็นไหมครับการตรึงพระเยซูหลายครั้งเนี่ยเกิดจากการที่มนุษย์ในยุคหลังๆครับปฏิเสธพระเยซูก็จับพระเยซูไปตรึงครับ และได้ทําให้พระองค์ขายหน้าซ้ําแล้วซ้ําอีกต่อหน้าฐารกรรมนั้นพป็นรองครับมันจึงเป็นไปไม่ได้สําหรับคนเหล่านี้นะครับที่จะกลับใจและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหันนีไปจากหนนีไปคนที่หันนีไปนั้นจะช่วยให้พวกเขาให้กลับใจใหม่อีกได้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเป็นเรื่องอันตรายเป็นเรื่องฉุกเฉิน เป็นเรื่องน่ากลัวครับเป็นเรื่องอันตรายเรื่องน่ากลัวที่จะหันไปจากพระคุณของพระเจ้าปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าผู้เขียนกําลังพูดถึงการปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าเทียบเท่าหรือข้อหาไล่แรงเท่ากับการหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธดพี่น้องครับคนเหล่านี้ได้ชิมความประเสริฐเลิศแห่งพระคุณของพระเจ้าข้อเสนอของพระเจ้าที่นําความรอดมาถึงเขา แต่เขาไม่เข้าใจและปิดใจและยัง ป, ปัดปัดมันทิ้งปัดทิ้งครับเพราะฉะนั้นพวกเขานั้นมินเมที่จะพินาศจริงๆพังพีตอนนี้จริงเสนอว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วสําหรับพวกเขาที่จะกลับใจใหม่ทีหลังเพราะว่าอะไรครับเพราะเขาไม่กลับใจและเขามินประมาทโทษยันเรญญบริสุดและพังพีบอกว่าโทษนี้ไม่สามารถยกให้ได้พี่น้องครับพวกเขา หรือพวกเราบางคนก็อาจจะเหมือนกับคนยิวในเยอรมนีที่ได้ปฏิเสธพระผู้ช่วยรอดไปแล้วพระเยซูได้เสด็จมาหาเราในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งพระเยซูเสด็จมาบ้านเมืองของพระองค์แต่ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์หาได้ต้อนรับพระองค์ไม่และนี่คือสิ่งที่ผู้เขียนฮีบรูนั้นเน้นย้ำตอกย้ำครับให้คนฮีบรูเองหรือคนยิวเองจะต้องระวังครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรากลับมาดูในสมัยนี้คนที่เข้าใจว่าตัวเองเป็นคริสเตียนคนที่คิดว่าพ่อแม่บรรพชนเป็นผู้รับใช้เป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งเป็นไปได้ครับที่บางคนในหมู่พวกเราก็ไม่ได้กลับใจจริงๆครับเขาตรึงพระเยซูครั้งแล้วครั้งเล่าทําให้พระเยซูได้รับความอับอาย คริสเตียนทำอย่างนี้หรือคริสเตียนคิดอย่างนี้หรือคริสเตียนพูดอย่างนี้หรือพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นเหตุเป็นผลทําให้เรารู้ว่าในที่สุดแล้วคนที่บังเกิดใหม่ต้องดูด้วยผลพระเยซูก็ได้สอนนะครับว่าเราจะรู้ว่าต้นไม้นั้นเป็นอย่างไรก็ดูที่ผลของมันนะครับอย่าดูแต่รูปกายภายนอกอย่าดูแต่คําพูดหวานหวาน คำพูด ท, ที่ยกยอปอปั้นคำพูด ท, ที่ไม่จริงใจที่นั่นครับเราต้องดูนานๆและเราจะเห็นผลที่แท้จริงว่าคนคนนั้นจะเป็นอย่างไรสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าคนที่จงใจหันไปจากความจริงก็ได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าเสียอีกแล้วและทําให้พระองค์ขายหน้าต่อฐานะกรรมนั่นคนเหล่านั้นใ น, ในวันนี้จงใจปฏิเสธพระเยซู แน่นอนครับในที่สุดในวันสุดท้ายในการที่ภากษาพระเอซูก็จะบอกกับพวกเขาว่าเราก็ไม่รู้จักเจ้าเช่นกันเป็นอันตรายฝ่ายวิญญาณจริงๆครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเห็นอันตรายนี้และเราจะต้องบอกกับคนอื่นครับเราจะต้องสอนครับและนําเขาให้สู่การกลับใจใหม่อย่างแท้จริงครับขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ที่ได้ยินได้ฟังความจริงนี้ ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายแต่ในขณะเดียวกันครับใครก็ตามที่ได้รับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเปิดใจต้อนรับพระองค์สารภาพบาปและชีวิตของท่านดีขึ้นแน่นอนครับท่านดูครับผลเกิดขึ้นท่านมั่นใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในท่านก็จะประทานความมั่นใจเมื่อท่านอ่านท่านกัมพีนะครับท่านก็จะมั่นใจว่าท่านเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งท่านพระเจ้าจงห่วงใยท่าน และพระองค์ทรงรู้ว่าท่านกำลังประสบอะไรอยู่และพระองค์มีแผนการที่ดีเสมอในชีวิตของพวกเราอาเมน